ตอนนี้ใครจะปุุงอะไรก็ปรุงได้เนี่ยในเวลาห้านาทีกว่ามีมั้ยนั่งเฉยๆอึดอัดแย่ไหมแหมให้ใจเลยจะออกเลยนะ เมื่อกี้ให้ดูสงบกป็นแซ็บเลยเนี่ยแต่ไม่ยากลงเอตอนนี้คุยเนียบเมื่อกี้สงบใจรายการจีนเป็นธรรมดาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะหน่อยังไม่ถึงเวลาทุ่มหนึ่งก็ยังไม่เริ่องกรรมฐานอ ะ, อะไรไหม เดยวใครก็ามาไม่ทันเราเคยใช้เวลาทุ่มตอนนี้ก็มืใครมีข้อข้องใจอ้ปริชาติมีอะไรั้มหนักใจั้มไม่ได้พูดเลยนะมีข้อข้องใจหนเดียวคือไม่พูดหนักใจนะอ้าันนี้ไปรอดไม่รอดหรนะือ นี่ไม่แน่นะดีแจ่ฟังแล้แมรสชาด่าแต่ก็พอให้ดีไม่กินไม่ต่อว่าถ้าถูกรอคอยได้ะจะไมเล่นนะไม่ได้ไหวยอ่าเซหนึ่งนาทีนะอ่าต่อไปอยกยุดนน้ำไหลตอนนี้ไปก็ขอทิบายืึงการเกษประกรรมฐานแต่ก็น่าจะพูดจงเพียงน้อยๆไม่พูดมาก ฟังไม่ไหวฟัง ไ, ไม่ได้จาไม่ได้การปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> ขอเรื่องราวของโมกขล า, าราภาษาลิบุตรมาเป็นตัวตั้งอื่นการฟัปฏิบัติกรรมฐานนี่ถือว่าเป็นโมฆะธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายที่โ ม, มกขล า, าราภาษาลิบุตรเป็นโูกมหาเศรษฐีทั้งคู่ เวลามีงานมรดศพประจำปีอย่งางบกรจุงกรานต์ถ้าจะไปพร้อมรีวานคือมีบริวารคนละห้าร้อยไปดูมรดศพถ้าชอบใจบางครั้งมนก็ชอบใจก็ให้รางวัลบางทีที่เรื่องโศกก็แสดงความสลดใจมาครั้งสุดท้ายที่อยกเป็นพระราหารันปีนั้นทั้งสองท่านไปดูพร้อมกันเหมือนกันไปไหนไปด้วยกัน ขณะดูมรศพเจ้าสององค์ต่างคนต่างขืมถึงเวลาคุณโยห์ระก็ไม่หัวเราะขณะคนเศร้าโศกก็ไม่สลดใจที่เวลาที่คนจะให้รางวัลก็ไม่ให้ต่างคนต่างขืมพอมาหวเาศพเลิกแล้วท่านโมคลาจินถามพระสารีบุตรว่าเพื่อนทําไปยังขืมไปวันนี้พระสารีบุตรกระถามว่าเพื่อนอยอมไม่กันต่างคนต่างขืม ก็ต่างคนต่างพูดถึงความรู้สึก <c oughs> ทั้งสององค์มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนที่แสดงมรรสอ ก, ก็ดีคนที่ดูมรรสอกก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายการที่มีการตื่นเรมรรสอกก็ไม่คนมีกับเราเราเองไม่ถึงร้อยปีก็ตายแต่ต่างคนก็ต่างคิด บ้การเกิดมาแล้วทําเป็นเครื่องความตายทำบุคคลให้ตายย่อมมีอยู่ชนไหนในโลกนี้ย่อมมีของคู่กันมีมึนคมสว่างฉะนั้นเมื่อทำนี้ทำบุคคลตายมีได้ทำนี้ทำบุคคไม่ตายต้องมีเหมือนกันที่เรียกว่ามุกะธรรมจะทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายและเมื่อคุยแล้วต่างคนต่างตกลงว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่กลับไปกนดีกว่าไปหาโมฆะธรรมกัน ทุกทั้งสองฝ่ายจึงแบ่งบริษัทบริวารเนี่ยคนละครึ่งคือ250ห้ให้นำมากับรถกลับบ้านอีกคนละ0องานำไปสนักสัญชัยปรีภาชคพอไปถึงสนักสัญชัยปริภาชกก็บอกว่าต้องการโมกะธรรมคือทํ่เกิดพ้นจากความตายท่านสัญชัยปรีภาชกก็แนะนำข้อปฏิบัติ ทานปฏิบัติไม่กี่วันก็จบหลักสูตรุ่สันชัยเวรไพรทุกพราะ้งสองท่านนี้มีบารมีเต็มหนึ่งคู่มเมื่อจบหลัำสูตรสันชัยโมจบแล้วท่าก็มาเจรน า, นานว่าธรรมะที่เราศึกษาจากสันชัยเวรไพรทุกไม่มีทถัเป็นเครื่องค้นจากความตายความเป็นเครื่องพ้นจากความตายต้องมไม่ใช่อย่างนี้ทั้งสองคนรึกษากันว่า ทุกตังสองคนถ้าใครพ้นมกคบบุคคลธรรมอะไรให้บอกกันวันหนึ่งท่านวรสาริบุตรออกจากสมณเจะเข้าไปในเมืองก็ไปพบก่าสัจจิเข้ามาเิ็นบาปท่านตั้งเกตฑจริยาว่าสัจจิเบรอันอรันรุ่นแรกในเรื่องหนึ่งในปัญญาขี่เห็นจริยานุมนวลมีการสังรวมดีน่าเคารพ ก็อยากจะถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครแ้วเปลียนใจเพราะว่าท่านกาลังเข้าอยู่ในปฏิบัติจึงดักทางอยู่เมื่อทนนยสัชชีออกมาได้ท่านเป็นกราบแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครชอบทำแต่ใครเป็นคนสอนท่านท่านชอบทของใดใครสาวกใครกรุ่มความเป็นอยากจะทราบว่าความรู้จึง่ยวการปฏิบัติมาจากใครท่าสัชชีท่านเป็นพระราหัน ท่ามองดูท่านกระซาวกันกนคนนี้มีปัญญามากเราไม่ควรจะพูดมากต้องพูดแต่น้อยใช่ไหมเขาบอกว่าเราเป็นสาวกของพระสัมมาโคดมเพราะทีเจ้าสอนเราเราไป็ูกศิธิ์ของท่านท่านสาธีตบุตรถามว่าพระเจ้าลรมศาสาศดาสอนได้ยังไเงเขาบอกว่าฉันเป็นคนใหม่ในศาสนานี้ไม่สามารถพูดฟังฟังได้แยกก่าวได้แต่เพียงโดยย่อ มสมัยารีบุตรก็บอกว่าผมต้องการย่อไม่ต้องการที่ปลายกว้างเเพราะเปคนมีปัญญากะชิดย่งกล่าวในสัตย์ย่อเอเยธรมมาทุปปวาตีสังเหตุงุนถาก็โตโยนิโรทมจเอวังวารตีมาสวรนฟังเทนี้ปรโสดาบานันคนนี้เป็นอยางเป็นอย่างท่านกาท่านโดยย่อแปลว่าทำใดเกิดตีเหตุ ถ้าพระเจ้ากล่าเกลียด้อทํานั้นในความดักข้องทำนัน ง, งนนสมเด็จพระมหาสนณสัตอย่างนี้ือเมื่อพระสารีบุตรฟังจบก็เป็นระโสดาบั น, นทันทีเองถามว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพักที่ไหนท่านสัชชีก็บอกว่าอยู่ที่ประเวศวันแต่ก็บอกว่าอ่านสัชชีท่านนั้นสัชชไปก่อนผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งจะตามไปทีหลังต่อมาเมื่อเข้ามาสนทนา ถ้จิตใจมันปวดชื่นหน้าตาเขาเช่นชื่นไปด้วยท <c oughs> ่านรับโมกุลลายก็ท่านสอนสาธิบุตรหน้าตาเช่นชื่นยังคิดว่าวันนี้คนได้โมฆะธรรมแล้วยึงถามเมื่อสาธิบุต ร, รที่สาธิบุตรก็เล่าให้ฟังแล้วกล่ า, า, ออ ว, าวธรรมะโดยย่อว่าเยธรรมาหิสุปะปะวาเตสัตงเอตุงตฐานกะโตโยนิโรโทจ่าเอวังวาจีมหาสกัมโนท่านระบงงโมกุลลาฟังจบก็เป็นมัสโสดาบันเหมืกัน เราดีเต็มนะ้นขอเล่าถึอยอดหลังจากนด้นเว า, าเพระพทธประผูมีพระภาตเจ้าเอาเงิจะรับไปเลยนะก็พาบริวารในคนละสองน้อยห้าสิบวปสาห้าร้อยไปถึงพระพุทธเจ้าเทศจบบริวารสองร้อยห้าสิบเป็นปโสดาวันหมดอีกสองรอยห้าสิบไม่ได้อะไรกลับมาหาสัญชัยบริาทายทชกท่านโมกขลาต้องปฏิบัติอีกเจ็ดวันจึงจะเป็นพระาราหัน การบาสาที่บุตรต้องอีกสิบห้าวันยังเป็นพระหลานท่านนี้พระว่าเป็นคนนี้มีปัญญามากนํานเรื่องราวนี้มาพูดกัรมดาในพุทธบริษัทเพรว่า ก, การเริญกมฐานจริงๆแนละ้วเรามุ่งมุ่งกระทำคือทำํทำในเครื่องค้นจากความตายนั่นคือนิพพานจใช้บรรดานในพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาว่าตามความเป็นจริง ว่ากายเกิดมานี้มาเต็มไปได้วยความทุกข์ในมรุสโล่นี่ทุกข์มากแต่ก็ยังทุกขน้อยกว่าในอภัยภูมิแต่เกิดเป็นสัตว์นรกทุกข์ไม่มีสัมเป็นเปรตก็ทุกข์หาที่สุดไม่ได้แปลตัว ก, กายก็มีทุกข์เพราะความอยู่เป็นสติชัยก็ทุกข์เาะวิพากรหนาไม่เึงสมหวัง มาเป็นคนก็ไม่พ้นจากความทุกข์อีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราคุรจะกลับมาเกิดมนุนย์ต่อไปได้ไหมถ้าใช้ปัญญาในความจริงใจเพราะว่าเราใช้ปัญญามากก็ แ, แค่สังเกตว่าคนทุกคนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นอกจากทุกข์ก็มีความแก่ทุกวันและความป่วยแข่ไม่สบายก็มีเป็นปกติในทีสุดทุกคนตายเหมือนกันหมด เมื่อเมื่อตายแล้วทรัพย์สินนั้งหลายที่เราไม่อยู่ไม่สามารถจะกลับมาใช้ได้ต้องเป็นสมบัติของบุ้คลอื่นถ้าเราเกิดมาใหม่ทรัพย์สินนั้นหลายแล้วเรยังมีอยู่เพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกัน mm hmm. ความว่ากายกลับมาเกิดมนุษย์ไม่เหมาะสำหรับเราในฐานะที่เราพบพระพุทธศาสนาแล้วรามีความเข้าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เกิดเป็นมนุษย์จะเกิดอะไรดีเป็นเทว ด, ดาหรือผมความจริงเทว ด, ดาก็ดีผมก็ดีมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ว่าความสุขของเทว ด, ดาหรือผมอยู่นั่นเป็ตลอดกาลเมื่อหมดพุดนพัฒนาปรัมมีก็ต้องเกิดใหม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีส่วนใหญ่พุง่งเรามรรกไปกว่าจะมาถึงมนุษย์ได้ก็ใช้เวลาหลายกับก็มีความทุกข์ ฉันั้นธรรดาเป็นพุทริสัชน์ก็ควรจะตัดสินใจว่าถ้าตายกรนีเรื่องเรื่องตายจะถึงเป็นของธรรมบดาไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงใด้าตุตายคราวนี้ขึ้นอยู่วิญญารเกิดในโลกมนุษย์ะมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราและการเกิดเป็นจิตวิญาก็ดีไป็พรก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือวิญญาณหลังจากใ้พยายามให้ทานาการเป็นทานบารมี <c oughs> ตามทุง้งขวพยายามนั่งทรงศั่งสให้ดีที่สุดไม่ใหม่ก็เพอบ้างเลยขธรรมดาถ้าสินไวสุดฝดฟ่องสมาธิก็เกิดเพราะสมาธิเกิดได้เพราะใ ส, ส่สินถ้าจิตเป็นสมาธิจะมีลมงเงยือกเย็นจังหวนในเมื่อลมเงยือกเย็นจันทีวอนปัญญาก็เกิดปัญญาตัวตัดกิเลส หลังจากนั้นบยยัญญาเขาไต่กิเลสไปสมุทเธตบาลานี <c oughs> ่ว่ากันแนวทางนะตอนนี้ไปบรรดาในพุทธบริษัทตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานท่านที่เก่าก็ดีใหม่ก็ดีที่พระเจ้าบอกว่าการเจริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาใหญ่ก็ามขอ้อที่แล้วสองอย่างในคู่กันแยกกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาที่แยกกันไม่ได้ ถ้าตัดขาดยางได้หนึ่งไล้ผลสองอย่างต้องมีการพบกันที่เราจะทรงความดีจากชาวสมาบัติสมาธิวิือปรินายานอันดับแรกพ่าเจ้าดัไว้ในอุทมปริกาสุว่าจงทรงสินห้าให้บริสุทธิ <c> ์ <oughs> หลังจากนั้นก็พยายามระงับวิวรณเฉพาะเวลาปฏิบัติ การรับีวอนท่านรการคือไม่สนใจกัารีวอเฉพาะเวลาจะเชินสมาธิปัญญายันเพราะเรื่องและีวอนมันปวนใจเป็นคนธรรมดาพยายามกำหนดตัดสินใจการรับีวอนมัใช้วิธีอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้าใจออกและคำภาวนาขณะได้ที่รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาอยู่ก็ดีจิตไม่ยุ่งไปอย่างอื่นอย่างนั้นฉะนั้นถือว่าีวรนรับจัดใจ อีกก็เริ่มไปสมาธิหลังจากนั้นพระเจ้าให้แผ่เมตตาจิตไปนในจักรกวาลทั้งหมดคือใช่พรมิหารสีเราจะมีความรักคนสัตว์ทั้งโลกเราจะสารปหนาเกิดกูลคนสัตว์ทั้งโลกเราจะมีมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียไค่ <c oughs> ใครกินดีพลอยได้ดีด้วยยินดีด้วย เ ร, เราจะไม่โยเบะขาวางเฉยใครเพิ่มพัฒน์เราไม่ซ้ำเติมทำสิ่งที่เป็นสุดถ้าทำใจได้อย่างนี้หนึ่งมีศินบริสุทธิส์สองนัง่งนัดมีวันทุกคราวสามทรงพมิหารสีที่พูดมาเมื่อกี้เป็นพมีหารสีถ้าจิตทรงได้อย่างนี้จิตจะไปสมาธิเป็นฌานทันทีเมื่อจิตมันเป็นฌานแล้วปัญญาก็เกิดจิตทรงสมาธิมีลมเรียบ เมื่อเรียบร้อยร็จทีนั่นจิตลดมาถึงอุปจารสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาที่วิจารณอินตามความปีกีในขณะนั้นว่ากายเกิดเต็มไปความทุกข์คนทุกคนไม่มีใครมีความสุขแล้วเกิดแล้วก็แก่ทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความคลองชีพทุกข์จากการหาทรัพย์สินทุกข์จากการใช้ทรัพย์สินก็มีทุกอย่าง โดยาการป่วยไข้ไม่สบายทุกความแก่ทุ ก, ค ว, ทกความตา ย, ยาเข้ามาถึงมันเป็นทุกข์สมบูรณดแลนั้นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวนิสุกเวียน้าตตาคือทังเกิดตายเมื่อจินใจอย่างนี้แด้กําหนดจิตใจว่าเราไม่ต้องการเกิดแบบนี้ต่อไปมนุสนโลกก็จ็มีความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเราเกิดไม่แต่วัยเกิดถึงวันนี้ไม่เคยมีความสุขจริง คิดที่ว่าสุขที่ดังคิดนั้นเหลอกตัวเองเข้าใจว่าสุขเป็นความจริงมันเป็นทุกข์ก็ตั้งใจคิดว่าเราจะทรงศินให้บริสุทให้ทานเรื่องการตัดโลภะความโลภตารจำลางวิปัสสนาให้ได้รักษาสินเรื่งการท่งเรื่องเรื่องเมตตาบุญนาถสาวโดยการเป็นการระงับค่อยๆระงับความโลภ ใช่เป็นเจตปัญญาพิจาณาต า, ามความจริงว่าโลกเป็นทุกข์กรารเกิดเป็นทุกข์สร้างกายเป็นนิจจังโลกนิเวศนิจจังไม่เที่ยงนัตเป็นนัตนาตาในสุขเราไม่ต้องการอีกมันเองอย่างนี้เป็นตัวตับวิปัสนาญาตุไตรถ้าบันดาลในพุทธเวสสัตว์นายทำอิจตามาทิปัญญาตัวนี้จะเกิดเขาพูดโดยย่อมันจะเกิดเองและปัญญาตัวต่กิเดลสหลงตอนนี้ไปเขาบนดาญแยกลงเขาจะเปิษัทว์ถนัดผู้ใหม่ ให้ใช้คำภามนาว่าพุทโธ ถ, ถ้าไม่เคยภาวนามาเลยนะท่านผู้ใดเคยภาวนามันแล้วก็ใช้อย่างไหนเข้าใช้อย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนที่ไม่เคยมาเลยใช้คำภาวนาพุทโธใจเข้าแล้วพุทธใจออกเป็นพุทโธตอนนี้ไปคนละจุดดวงสวงแนละจุลตัวดานะแต่ผมจะให้ถี่